วันนี้จะเป็นการย้อนอดีตด้วย ท่านเริ่มขึ้นเมื่อวันแรม 11 ค่ำ 3 ปีวอกพุทธศักราช 2403 ซึ่ง 6 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2403 โยมพ่อคือนายเนียมแต่ต่อมาไม่นานก็ตายไป นางผู้มีความอาลัยอาวรณ์ในผู้แรกอย่างมาก ก็ตั้งชื่อให้ว่าประเดิมแต่เพื่อสะดวกในการเรียกชื่อให้ว่าประเดิม 5 คนคือ 1 นางทอง 2 นาง 3 ในดวล 4 นาง 5 นางเปลือง ในเดิมเมื่อตอนเป็นหนุ่มนั้นมีอุปนิสัยต่างจากเด็กในหมู่บ้านเดียวกันอย่างสิ้นเชิง ทางที่ในเดิมก็เป็นคนที่จัดได้ว่ามีรูปร่างหน้าตาที่ดีคน โดยได้จัดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมพุทธศักราช 2423 ตรงกับวันอาทิตย์กับแรม 13 ค่ำเดือน 11 ปีมะโรงพระอุปัชฌาย์คือ ตำบลท่าน้ําอ้อยอำเภอพายุหักทิรีและพระผู้สวดอีกรูปนึง ต้องในการศึกษาธรรมะเพราะท่านไม่เคยได้รับการเน่าเรียนมาก่อนเลยอุตสาหะพยายามเป็นอย่างมากในการศึกษา ภาคยลร่ำเรียนวิชาต่างๆนั้นเพียงเพราะต้องการหาวิชาความรู้มิได้หวังเป็นมหาปาลเรียนแต่อย่างใดท่านรำเรียนจนได้พระปริยัติธรรมสมบูรณ์แล้วท่านก็เริ่มเรียนวิชาที่ตนถนัดคือวิปัสสนาหลังจาก 12 ปีทําให้ และท่านได้ใช้วิชาต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาไม่ว่าจะเป็น ท่านๆสงบนิ่งและสำรวมตลอดเวลาท่านพอดื่มได้ใช้ชีวิต ในคราวก่อนที่ท่านจะเดินทางไปศึกษาๆกันจนลูกศิษย์ หลวงพ่อเดิมก็หัวเราะและก็บอกว่าสอนให้คนอื่นทําดีมามากแล้วต้องหัดมาสอน เมื่อไปนั่งในร้านวัดอย่างนั้นพวกเด็กก็เข้าทุกๆคนไป คำสอนของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโก ท่านก็ได้ใช้ความรู้ต่างๆในการที่จะบำเพ็ญตนและช่วยเหลือชาวบ้านสะดวกท่าน สมพ่อท่านเป็นคนที่เมตตาวัดไหนบ้านไหนที่อัตตะคัดน้ําท่าปุฏิๆไม่ใช่ไปรับจ้างงั้นท้องก็ เคยได้ติดต่อคอยตามไปท่านน่ะหลายที่พอรู้ว่าไว้ว่าที่บ้านหนองโพ เป็นที่ตั้งโรงเรียนชั่วคราวและใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวของท่าน ความตั้งใจจริงของหลวงพ่อท่านจึงได้ย้ายมาปลูกป่าเป็นการถาวรพร้อมกันนั้นก็ได้เพิ่มครูสอนให้เพียงพอต่อจํานวนนักเรียนพอมาเรื่องโรง จึงตั้งชื่อโรงเรียนเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าโรงเรียนประชาบาลลิขวาดอนุสรณ์โรงเรียนของท่านไม่เพียงแต่ เองได้กดเวลาไปแสดงที่ไหนเองวงพิพาทของหลวงพ่อเดิม ไม่สะดวกสบายสะดวกสบายท่านเริ่มสร้างโบสถ์ 2458 พระอุโบสถและหลังจากนั้นไม่นานแล้ว หลวงพ่อเดิมมา แล้วก็... อุปัชฌาย์ของผมองค์ แล้วก็... มานานๆกลับหาท่านนะทิงนอกจากท่าน ปกยังหน้าเลื่อมใสหน้าเคารพบูชาหลักการสอนธรรมะของท่าน เพราะถ้าออกไปที่อื่นแล้วผลประโยชน์มันได้เพเพ 14 ปี พ่อเดิมแห่งหวัชหนองปู่จังหวัดนครสวรรค์นั้นผู้นอกๆและท่านยัง หนองโพนี้กิตติคุณของหลวงพ่อเดิมท่านมีชื่อเสียงอยู่ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนก็ 200,000 บาทนะครับ จึงก็ได้ท่านมันเป็นผู้นําในเรื่องนี้นะครับเอ่อสําหรับทุนสงจริงๆนั้นก็เพื่อนนําเงินซึ่งเราจะยกให้เรียนฟรี ในการซื้อหารบ้างการซื้อหาญบ้างหรือว่าอุปกรณ์บางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ยังมีความท่านแม้แต่ท้างหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ท่านจะให้ทันทีหลวงพ่อน้อยท่านเล่าว่าท่านไปเออเอาไปทีเจ้าก็ พอเดิมนั่นนะครับเมื่อสมัยที่ท่านยังอยู่นะครับผมก็ช่วง ที่สถานีรถไฟหนองโพนะครับแล้วก็ส่วนมากก็เดินเป็นทางทางคนเล็กหรือบางครั้งก็ ผอ. ผมเพื่อสนองคุณพระอุปชาวันนั้นเป็นวันที่ 15 พฤษภาคมพุทธศักราช 2494 ตรงกับวันอังคารแรน 6 อาการ ก็สุขหนักลงตั้งแต่ตอนนั้นบรรดาสิบผู้ใกล้ชิดมันใกล้และ ตอนมอยง่าวมัยสรงเหลียงมันเดินวนเวียนไปมาๆที่อยู่ในพื้นที่ มีความจนกระทั่งทนอย่าง น. ของ 15 พฤษภาคมปีพุทธศักราช 2494 สิบชื่นใกล้ชิดได้จับ พร้อมกับร้องใหญ่ประจําวัดลั่นตูมขึ้นรัวกระหน่ําฐานของหลวงพ่อ วันนั้นหลวงพ่อเคยทําลําบนเอากระแป๋งไผทําไว้ที่ ความโศกเศร้าเสียใจในการ กับ